รธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก่อนที่จะอนุมทนาให้พรหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คณะรัทธาติโจมได้รับรู้รับทราบวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2559วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่ทางสถานีตำรวจภูทร น, นายูง ตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีของพวกเราได้จัด้าป่าขึ้นมาเพื่อจะหาทุนโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์สถานีตำรวจภูทร น, นายูงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับประชมและสำหรับ ต้อนรับผู้บังคับบัญชาที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานเนื่องจากที่ผ่านมาในการต้อนรับผู้บังคับบัญชาในห้องประชุมชั้นสองของอาคารที่ทำการในการต้อนรับแต่ในแต่ไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะมีพื้นที่น้อยดังนั้นสถานีตารวจภูทร น, นายุง จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ขึ้นเพื่อใช้สําหรับกิจดังกล่าวสถานีตํารวจภูธร น, นายงจังหวัดอุดรธานีจึงจะส่งแบบประมาณราคาในการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อไปพิจารณาแล้วก็ เอ่อในการประเมิน <finish> ราคาแต่ตามไม่จริงอ่ก็ทางสถานีวิทยุไอ้ทางตทางผู้เกี่ยวข้องก็ได้รวบรวมกันมาแล้วนะก็ไม่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะที่ลงตามหลวงพ่อตามที่หลวงพ่อได้ดูเอ่อความกว้างทราบว่ยาวยาเมตรกว้างแเอ่อกว้าง8เมตรยาว15้าเมตรก็ไม่หลังไม่ใหญ่เงบประมาณก็สอง สองแสนสามื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกสตัง์อีกต่างหากนะเนเออจะคิดว่าวันนี้เราพวกเราจะช่วยช่วยกันละเอาให้ครบทีเดียวเลยเออให้ครบทีเดียวแล้วให้จบไปเลยนะเออแล้วก็ให้เดลงมือก่อสร้างให้เกิดประโยชน์อยา่างที่เอออย่างที่คณะท่านผู้กากับ เ, เป็นประธาน ท่านผู้กํากับพันตํารวจเอกสมานศรีสัสนผู้บังคับการสถานีตํารวจภูธร น, นายุงจังหวัดอุดรธานีฮะผู้ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูทร น, นายุงต่อไป เออแต่ยังก็ยังไม่ย้ายแต่ต้อาย้ายต้องย้ายขึ้นสูงกว่านี้นะอืมเออเออเดี๋ยวนี้ให้อยู่อยู่ที่นี่ก่อนแต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าไปที่ไหนไม่ได้อยู่กับลุงพ่อเนี่ยละวะนั่นแหละถือว่าเป็นวันมงคลนะค่ะรักศาญาติโยมทุกๆท่านที่มาร่วมกับการทอดผ้าป่าในคราวนี้ครั้งนี้นะอลุงพ่อก็เห็นว่าเกิดประโยชน์นะในการ สร้างอาคารแต่ทีอยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันเพราะ เ, าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของอท่านสมานนะท่านก็จะย้ายไปที่ไหนก็ไม่ทราบท่านเพเห็นท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เห็นคุณค่าเห็นความขัดข้องที่มันเกิดอยู่ในที่นี่ท่านก็คิดจะสร้างขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อนะ อ, อยู่ที่วัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อก็เห็นโอ้ยจุดไหนที่ศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมันขัดข้อง หลวงพ่อเป็นเจ้าของพื้นที่หลวงพ่อก็จะได้คิดทำจุดนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะจัตตา ญ, ญาติโยมที่มา บ, บําเพ็ญบุญกุศลในสํานักหรในสํานักในวัดของหลวงพ่อนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะแต่และสํานักงานหรือว่าตํารวจหรือว่าที่ว่ า, าําเภอท่านพูดดีเป็นนาย อ, อําเภอท่านก็ต้องมองดูวอาในบริเวณอาเภอของเรานี่ขาดเหลือขาดตกอะไร ท่านในเอเภอก็ต้องได้คิดว่าควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงจุดนั้นให้ดีขึ้นในผู้กํากับของเราก็เช่นเดียวกันท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็มองเห็นว่าเออที่หน้าสถานีของเรานี่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อคลุกครัครกออไม่สะดวกเวลาออตั้งแถวเวลาทำกิจกรรมออท่านก็ทำขึ้นมาแต่ท่านก็ยมองเห็นอีกว่าในเมื่ อ, เ, อ, อเจ้านายมาเยี่ยมเยียน <c oughs> ก็ไม่มีสถานที่หาหรือประชุมเป็นเอกเป็นเป็ น, ปนสัดส่วน้าขึ้นมากว่าชั้นบนกว่าอากาศก็โอทอู้หอุดอุอดออดอ้ร้อนอีกต่างหา ก, อ, ากอยู่ในมุมอับควรจะประชุมกันในที่เหมาะสมท่านจะได้คิดสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านได้มองเห็นในการในเมื่อท่านอยู่ในสถานที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนั้นการ ที่จะสร้างอาคารหลังนี้ก็ไม่ใช่ว่าหรูหราโออาเวอร์จนเกินไปก็เพียงกว้างเพียง8เมตรยาวเพียง15เมตรก็ไม่ใช่หลังใหญ่เผื่ อ, จ ะ, อ จ, จะเล็กจะได้ซำไปแต่ที่ยังไงก็ตามงานผ้าป่าในวันนี้หลงพ่อเองก็คิดว่าพวกเราเขตอำเภอนายูงถึงจะเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนของจังหวัดอุดรก็น้าใจของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ น้ำใจใหญ่เหมือนกันอ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อพาใจใหญ่นะในการสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อไปในสถานที่ใดหลวงพ่อรวยมากอ่ช่วยชุมชนสังคมนี้เหมือนกันอนะ่ะอยู่ในอำเภอนายโยของเราเนี่ยจะไม่ช่วยคงไปจะไม่ถูกต้องเหมือนกันนั่นแหละพอหลวงพ่อไปอยู่ที่ไปอินโดนีเซียเมื่อข่าวที่แล้วนะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมนะ หลวงพ่อไปประเทศอินโดนีเซียไปตั้งแต่วันที่5กลับวันที่16ไปอยู่จุงกุงจา ก, การต์ตานะเป็นเวลา10วัน เ, เขาจะถวายจจตุ ป, ปัจจัยของหลวงพ่อนะได้4 0 0 4 40้ล้านมากนะั้นสีอล้านถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อรวยได้ไปอินโดนีเซีย <c oughs> แต่คิดเป็นเงินไทยล้านกว่าบาท <c oughs> อินโดนีเซียใน407ล้านกว่าเออเพราะว่า 300, 300, 300 3 0 3 375รูปีเอ่อต่อหนึ่งบาทไทยประมาณนั้นแต่น่แหละแต่หลวงพ่อก็ได้มอบให้กับมูลนิธิเรียกว่าวัดต่างๆของอินโดนีเซียทั้งหมดแต่หลวงพ่อไม่ได้เอามาแ่มอบให้กับ ทางอินโดนีเซียเพราะว่าเงินจากถุปัจจัยที่เกิดมาในอินโดนีเซียก็ต้องมอบให้กับอินโดนีเซียเขาเพื่อจะได้ดูแลความสารถุสุกดิบของเขาหลวงพ่อบอกว่าเงินเกิดจากในอินโดนีเซียก็ต้องเอาไวในเอาไว้ในอินโดนีเซียถ้าเอามาเอากลับมาเมืองไทยหลวงพ่อบอกเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อว่ากันนะเพราะเหตุไรเพราะว่า เราไปไม่ใช่เราไปหาเงินใช่ไหม เ, เรามีแต่ไปแสดงธรรมไปโปรดศรัทธาญาติโยม เ, เขามีปัญหาถามธรรมะหลวงพ่อชี้แจงธรรมะให้เขาฟังแต่โอ้รู้สึกว่าเป็นคน ร, รับวองอบปุ่นร้นหลำ ม, มากมายที่หลวงพ่อไปในคราวนี้นะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังในะก็คืนหลวงพออ่อไปในสถานที่ใดในเมื่อจะตก ป, ปัจจัยเกิดขึ้นมาหลวงพ่อ ก็มอบให้กับสถานที่แห่งนั้นให้เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อบวชมาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะหลวงพ่อบวชมาในในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มาหาล่าหารวยโนูลูกหลานาเนาะมาเพื่อหาสแสวงหาธรรมสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาก็ช่วยชงคออนุอเคราะห์ให้กับให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เ, เมื่อ เออมันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งเอ่อเป็นวันทอดผ้าป่าสามคัคคีของพวกเราเนอะเอ่อจะตกปัจจัยทั้งหลายสถาญาติโฉมทั้งหลายช่วยๆกันคนละไม้ละมือหลงพ่อว่าคี้ว่าไม่หนักหนาเปเพียงแค่นี้นะเออไม่หนักหนาเพียงแค่นี้พวกเราช่วยๆกันคนละเอ่อหมะคนละน้อยเอ่อแล้วก็จะเกิดประโยชน์เป็นนาคารขึ้นมา เป็นอาคารขึ้นมาแล้วอยู่นานเท่านานทีเดียวทีนี้ไม่รู้กีก่ปเีเกิดประโยชน์สําหรับสถานีตํารวจแห่งนี้ลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคตามันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะ่ะเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาตอาิอย่าไปคิดว่าเป็นสมบัติของอท่านผู้กํากับท่านผู้กงค์กรท่านกอมาเห็นว่าคุณประโยชน์น่าจะเกิดประโยชน์ท่านเองได้ ทำภาพปาขึ้นมาคิดว่าจะสำเร็จได้ท่านจึงได้คิดทำขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราในการสนับสนุนเพียงแค่นี้หลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเออเอาเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยังค่อยยังค่อยรวบรวมกันอีกนะคณะสัตยาญาติโยมนะแต่เดี๋ยวนี้ท่านผู้กากับกันยื่นตัวแรกมาให้หลวงพ่อดูแล้วนะ จะตกปัจจัยที่ได้วันนี้ที่ก่อนที่จะให้พรนี่นะหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทก็ยังเหลืออยู่ยังอยู่แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทน้อยๆ น, นะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาว่าแสนหนึ่งหมื่นนี่หว่าคณะ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะยายาโยมต่อยอดทั้งหมดนะ <c oughs> พวกเราต่อยอดทั้งหมด ได้หนึ่งแสสี่มื้าห้าสบาบาทนะแต่หลวงพ่อสมทบเข้าไปเองนะหลวงพ่อวัดปาด่านาคำน้อยนะนี่ยีสบสาพคห9เก้าวัดป่านาคำน้อยพร้อมคณะสัตธาญาติโยมสมทบสร้างอาคารอเนกประสงค์สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายูง ตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรเป็นเงินหนึ่งแสนสามหมื่นบาทาวรวมแล้วเป็นเงินสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าสิบเก้าบาทาเออทำให้ดีเลยนะบาดีนะเออคือสองแสนสามเนเออเผื่ออะไรบางมีอาจบางทีอาจจะเืเผื่อเผือเ่อเหลือเผื่อขาดนะ ให้เป็นสองแสนเจ็ดหมื่นปัดใจทั้งหมดไม่ต้องถวายพระหรอกนะหลวงพ่อรับไปแล้วมอบให้กับสร้างอาคารทั้งหมดเป็นเท่าไหร่1มื0นสี่พันเหรอเออเอาเขาเอาเขาเป็นตัวแรกนี้เลยอเออบวกกันเลยนะกขุบาทั้งหลายนะ้า อ, อารมณธนาณนะ์สร้างอาคารถูกต้องนะแต่มันแต่มันบกแตามันขาด หมวดทิดเป็นผู้จกกระเป๋าใส่ลำพอดุทิศส่วนกุศลด้วยเนะอ <c oughs> พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำบุญผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่พวกเราจะได้ใช้งานในบริเวณของสถานีตำรวจภูทรนายูงของพวกเรา แล้วก็จะได้มีการประชุมก็บอัอเนกประสงค์ได้หลายอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานีหรือว่ากลุ่มตารวจของพวกเราผู้พิทักษ์สันติราชได้รับความสะดวกสบายพวกพี่น้องทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายก็ไม่ได้มองข้ามว่าสถานีของเรา ถึงไหนที่ขาดเรือขาดตกบกพร่องพวกเราก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่ห่าการอำเภอไม่ว่าสถานีตำรวจหรือว่าที่ไหนๆเป็นสาธารณประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนในชาติจะได้ใช้ร่วมกันไม่ว่าวัดวาศาสนาสิ่งไหนที่ขาดเรือขาดตก พวกเราที่อยู่ในประเทศชาติก็เป็นหูเป็นตาร่วมจิตร่วมใจกันพัฒนาจุดนั้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดใครเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาติในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ของเหล่านั้นร่วมกันให้เกิดประโยชน์แต่ก่อนที่พวกเราจะคิดทำอะไรขึ้นมาต้องคิดให้ดีซะก่อน ว่าเมื่อทำขึ้นมาแล้วจะเกิดประโยชน์ได้ปรึกษาหาเรือกันแล้วตกลงกันแล้วซก่อน เ, อเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็จะได้ใช้ร่วมกันอย่างที่หลวงพ่อเคยไปทำในสถานที่ต่างๆาจะเป็นอย่างโรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านพักคนไข้หรือว่าตึกสงอาพาธก่อนที่จะทำอะไรลงไปหลวงพ่อกับปรึกษาปาร่มรกันคิดแล้วคิดอีกคิดอีคิดแล้วนะ หลายคู่หลายคนมาแสดงความคิดเห็นกันในเมื่อคิดเห็นกันแล้วก็ตกลงกันเลเอา้อาวหาทุนมาสร้างพอสร้างขึ้นมาแล้วหลวงพ่อที่ผ่านมาหลวงพ่อสร้างขึ้นไปแล้วมันมีเกิดประโยชน์ทุกอย่างเพระาะอะไรเพราะเราคิดดีซะก่อนเราคืยังค่อยทำลงไปในเมื่อทำลงไปแล้วถึงมันเกิดประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างที่เราได้คิดไว้จริงๆ นี่เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเออเราทำสิ่งไหนลงไปนี่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนจริ ง, รงๆนะี่นี่แหละเราก็ไปนในเพื่อใครนะเพื่อสาธารณชนอย่างที่โรงพยาบาลอุราของเรานะ่ตึกชั้นล่างตามไม่จริงถ้าไม่ทำอะไรมันก็เสียหายโถมดินทิ้งเฉยๆหลวงพ่อเอ๊ะนายจะปรับเป็นให้เป็นสถานที่สาหรับ ศรัทธาญาติโยมที่มาเยี่ยมไข่คนในโรงพยาบาลดูที่ใครมาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มาเฝ้าไข่กับมานอนเวลาฝนตกก็ ข, อ ข, อขดคู่อยู่แถวฟุตบาทนั่นนะตามไม่ริงน่าจะเป็นน่าจะจัดให้มีที่พักพาใสายสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมไข่จะเกิดประโยชน์มากหลวงพ่อคิดแล้วคิดี ก, กับปรึกษาทั้ง ผู้เห็นด้วยก็มีอ่างท่านผ อ, อท่านคนเก่านะบวกพอคนก่อนทนะ่านโอ้ยท่านอาจารย์เนะี่ยบริหารโรงพยาบาลกับพอแรงอยู่แล้วอถ้าจะเอาคนมามาเพิ่มคนไปอีกนั่น เ, เหมือนกับเอาพาระเขมามาให้กับโรงพยาบาลอีกเอมันก็ถูกคําท่านนะเอเพราว่าท่านดูแลโรงพยาบาลก็หนักพอแรงแล้วแล้วจะเอาญาติของคนไข้มารับอีกท่านใดรองรงพ่อโอ้ย ท่านพออ่อยขอเถอะถึงอย่างไงก็เขาก็ทุกยากลาบากเห็นไหมละ่ะเขามานอนอยู่นั่นน่ะจะเป็นนอนโรงแรมก็ไกลก็เสียเงินอีกต่างหากมาเยี่ยมคนไข้ก็ไกลอีกต่างหากเขาก็เลยมานอนอยู่แถวนี้เออควรจะอำนวยความสะดวกให้เขาสักหน่อยจะไม่ดีกว่าเล้ลอหลวงพ่อแบบขอร้องไงท่านบอกเออทุทกท่านอาจารย์เออหลวงพ่อก็เลยไปทําให้แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้พี่น้องลูกหลาน ไปนอนที่บ้านพักที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นตลอดเลยเนีหลวงพ่อเห็นแล้วพ่อกระพาคภูมิใจนะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้ทําขึ้นมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานได้พักพ้าอาศัยนะหลวงพ่อไม่เสียดายเลยเงินที่สร้างไปแล้วนะั้นแต่หมดไปเกือบ3าล้านนะทั้งห้องน้ำด้วยทั้งที่พักพ้าอาศัยจุดนั้นนะแต่อาคารใหญ่ไม่ต้องว่ากันลนะตัวนั้นมันเสร็จแล้วก็เกิดประโยชน์ แต่ตัวข้างล่างเนี่ยนะนะเกิดประโยชน์เนี่ยนะการที่จะทําอะไรลงไปหลวงพ่อไม่ใช่ว่าคิดให้คิดทํานั่นลูกหลานน ะ, ะคิดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเกิดประโยชน์ไหมที่เราเอาเงินลงไปเนี่ยทุ่มลงไปนี่ให้เกิดในในการใช้ เ, เงินในคราวนี้ครั้งนี้นะหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกก่อนทําพอทําลงไปก็ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีที่ไหนว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เสียหายของ ยังมองไม่เห็นนะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อเขาว่าหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อละเอียดเขาว่ากันนะเขาว่าหลวงพ่อละเอียดเขาว่าหลวงพ่อรอบขอบหลวงพ่อละเอียดถ้าไม่ถ้าไม่จริงจริงหลวงพ่อจะไม่ทํำหลวงพ่อนึกย้อนหลังเออตั้งเอาตั้งชื่อให้ก็เข้าขายเหมือนกันนาหลวงพ่อว่านะนะต่อเนี้ไปรับพรนะทนายหนะ